พระไม่หมั่นสาธยายมนต์มนต์ไม่ขลังพระพวกที่มีอะไรกระแนะกระแหน่กันอยู่เนี่ยเหตุมันเกิดจากอามิตรหลวงพ่อยังเคยพูดเสมอว่าสวดมนต์ทวัดเช้าเย็นมันไม่มีผู้ถวายกันไม่มีใครอยากจะขึ้นไปสวด แต่ที่เขานิมนต์ไปสวดฉันแล้วมันแย่งกันไปใครมันไม่ได้ไปทุกเที่ยวแล้วมันด่ามูมันหาว่าหมู่อคติลําเอียงเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังสั่งเสียด้วยซ้ําจะจัดพระไปสวดฉันเนี่ยให้เอาในวันนั้นตอนเช้าใครขึ้นสวดมนต์ทำวัดนับเอาเลยนับเอาบนนั้นพวกที่ไม่ขึ้นอย่าไปเอาอาสัจชายะมลามันตา มนต์ไม่ทองบ่นสาทยายเป็นมนต์ทินคนที่จะไปสวดมนต์ให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านมันต้องสวดทุกวันมนต์บทนั้นต้องสวดทุกวันถ้ามันจะไปสวดเอาเฉพาะเวลาสวดฉันแล้วก็แสดงว่ามันหลอกลวงประชาชนสวดได้แต่มันไม่มีประโยชน์วันหนึ่งไปสวดมนต์หลวงพ่อแกล้งมัน สวดมันเต็มสูตรเช่นอย่างกรณียเมตสูตรเนี่ยปกติเขาจะสวดขึ้นว่าเมตตัญจะสัพพโลกสัส m i s s หลวงพ่อขึ้นกรณียมัถะกุสเลนะสวดเพีงสูตรเดียวนั่งเป่าแคนเลยที่แรกประนมมือเอาไว้ห่างๆอย่างนี้พอขึ้นกรณียมัตตกุสเลนะเอามือมาชิดปากเลยเนี่ยแค่เนี่ยทดสอบ แสดงว่ามันทองเอาแต่บทที่จะหากินเท่านั้นในวัดนี้พระ1 4 1 5ถึงพรรษามีไม่กี่องค์ที่สวดปฏิโมกจบและผู้ที่ท่องสวดมนต์จบหลักสูตรจริงๆก็มีไม่กี่องค์เขาจะเอาเฉพาะแต่บทที่เขาจะไปสวดกินเท่านั้นความคิดที่ว่าเราจะจดจำคาสอนเอาไว้เป็นภูมิจิตภูมิใจเป็นมรดกไว้ในจิตในใจเราเนี่ย เขาไม่ได้คิดการจำสวดมนต์ได้มากก็คือผู้ท่งไว้ซึ่งพระสูตรการท่องปฏิโมกจบก็คือผู้ส่งไว้ซึ่งพระวินัยการท่องพระอภิธรรมจบอภิธรรมเจ็ดคมพีก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งพระประมาติ